การปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดผลผู้ปฏิบัติจําเป็นจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอคือปฏิบัติทุกวันเริ่มจากน้อยไปหามากแต่คนปฏิบัติอยู่อย่างสม่ําเสมอ เพราะถ้าไม่เช่นนั้นแล้วผลจะไม่เกิดถ้าอยากจะให้เกิดผลจากการปฏิบัติควรปฏิบัติอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอแล้วก็เพิ่มให้มากขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะเต็มร้อย ในทุกขั้นตอนของธรรมที่จะปฏิบัติเริ่มตอนที่ขั้นของศีลก่อนแล้วก็ขยับขึ้นไปสมาธิและปัญญาตามลาดับขั้นของศีลก็ให้ปฏิบัติเท่าที่เราปฏิบัติได้ก่อนรักษาศีลได้กี่ข้อ ก็รักษาไปเริ่มต้นที่ตรงนั้นก่อนแล้วก็พยายามเพิ่มขึ้นไปให้ครบนถ้าศีลห้ายังไม่ครบก็พยายามรักษาเพิ่มไปให้ครบศีลห้าได้ศีลห้าแล้วก็พยายามเพิ่มให้ได้ศีลแปดอันนี้เป็นขั้นของศีล เพราศีนี้เป็นเหมือนรากฐานของอาคารบ้านเรือนถ้ารากฐานมีกําลังน้อยก็รับน้ําหนักของบ้านเรือนได้น้อยเช่จนจะสร้างตึกสูงๆหลายชั้นรากฐานของตึกก็ต้องมีความแน่นหนามีกําลัง ที่จะรับน้ำหนักของตัวอาคารได้ไม่เช่นนั้นตัวอาคารก็จะสุดแล้วก็จะล้มลงมาได้เอนลากฐานของการปฏิบัติธรรมนี้คือศีลผู้ปฏิบัติควรที่จะให้ความสำคัญต่อการรักษาศีลแล้วก็ต้องรักษาอย่างสม่ำเสมอ ในเบื้องต้นอาจจะยังไม่สะดวกก็รักษาเฉพาะวันไปก่อนเช่นวันพระสำหรับผู้เริ่มต้นยังไม่เคยรักษาศีลเลยก็ลองมารักษาศีลในวันพระกันแล้วก็ค่อยเพิ่มจากหนึ่งวันไปเป็นสองวันไปเป็นสามวัน จนกว่าจะครบเจดวันนะแล้วต่อไปก็จะรักษาได้ทุกวันรักษาศีลห้าได้ก็ขยับขึ้นไปรักษาศีลแปดต่อไปช่วงที่รักษาศีลห้าเราก็มาหัดเจริญสติหัดนั่งสะพานทิศได้หัดเจริญปัญญา ได้ควบคู่กันไปเราสามารถแบ่งเวลาให้กับการปฏิบัติได้ว่าช่วงนี้ให้กับการฝึกสมาธิช่วงนี้ให้กับการฝึกปัญญาแบ่งเวลาได้เหมือนเรียนหนังสือเรีอนหนังสือเราแบ่งเวลาเรียนวิชาต่างๆได้ช่วงนี้เรียนวิชา คณิตศาสตร์ช่วงต่อไปเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ช่วงต่อไปเรียนวิทยาเรียนวิชา <c oughs> ภูมิศาสตร์อะไรอันนี้ก็เหมือนกันเรามีการเรียนอยู่สองสามวิชาด้วยกันคือการปฏิบัติการเรียนนี้ไม่ต้องเรียนมากเนี่ย เรียนให้รู้ว่าต้องปฏิบัติอะไรเท่านั้นไม่ต้องไปเรียนพระไตรปิฎกให้หมดทั้งเล่มก่อนแล้วค่อยมาเริ่มปฏิบัติเอาทีละเล็กทีละน้อยเรียนเฉพาะทางเรียนเฉพาะงานที่เราจะต้องทำํำเราต้องรักษาศีลถ้าไม่รู้ว่าศีลมีอะไรก็ไปเรียนเรื่องศีลก่อน ศีลมีศีลห้ามีกี่ข้อมีห้าข้อมีอะไรบ้างหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สามไม่ประพฤติผิดประเวณีสี่ไม่พูดปดห้าไม่ดื่มสุรายาเมานี่คือศีลห้าถ้าไม่เข้าใจข้อไหนก็ไปศึกษาจากผู้รู้ เช่นไม่ประพฤติผิดประเพณีนี้หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าจะไม่ร่วมหลับนอนกับใครนอกจากสามีหรือภรรยาของตนเท่านั้นเรียกว่าอย่างนี้เป็นประเพณีของชาวพุทธเราชาวพุทธเรามีสามีเดียวภรรยาเดียวแล้วก็ต้องเป็นสามีเป็นภรรยากัน จะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนก็ไม่เป็นปัญหาอะไรจะแต่งหรือไม่แต่งก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ขอให้มีคู่เดียว <c oughs> รักเดียวใจเดียว <c oughs> ข่าสัตว์ก็ทุกชนิดสิ่งที่มีชีวิตตั้งแต่ตัวเล็กขึ้นไปจนถึงตัวใหญ่หมดมแมลงนี่เขาก็มีชีวิต เขาก็มีความรู้สึกเหมือนกับช้างเหมือนกับเสือเวลามดมแมลงมันเจ็บมันก็เจ็บเหมือนกับช้างกับเสือเหมือนกับคนเราตัวใหญ่ก็จริงแต่ใจของพวกเรากับใจของมดมแมลงนี้เท่ากันใจไม่มีขนาดไม่มีรูปร่างมีแต่ความรับรู้ความรู้สึกต่างๆ รับรู้ความรู้สึกทุกข์ที่มาผ่านทางร่างกายเวลาที่ถูกทำร้ายร่างกายตัวนิดเดียวมันก็ทุกข์เท่ากับช้างตัวใหญ่ๆ ห, หรือเท่ากับมนุษย์ด้วยกันฉั้นอย่าไปคิดว่าโอ้ยมันตัวเล็กไม่บาปไม่ใช่บาปไปสร้างความทุกข์ให้กับเขา เดี๋ยวเขาก็จะกลับมาให้ความทุกข์กับเรา <c oughs> แต่มีโทษหนักเบาต่างกันฆ่ามดแมลงนี่ทางกฎหมายเขาไม่ถือว่าเป็นโทษถ้าฆ่ามนุษย์เขาถือว่าเป็นโทษต้องถูกจับเข้าคุกเข้าตารางไปแต่ตามกฎแห่งกรรมนี้ฆ่ามดแมลงก็มีโทษ มีโทษอย่างไรก็ต่อไปตายไปก็ต้องไปเป็นมดเป็นมแมลงให้เขาฆ่าบ้างสลับกันไปกงกรรมกงเกวียนถ้าไม่อยากจะไปเกิดเป็นมดเป็นมแมลงก็อย่าไปฆ่ามดไปฆ่ า, มาแมลงเดี๋ยวต่อไปเวลาตายไปร่างกายของเราตายไปใจไม่ได้ตายใจก็จะไป รับผลบาปต่อไปอ น, นี่คือหลักของศีลธรรมทำอะไรไว้กับใครเดี๋ยวก็ต้องกลับไปให้เขาทำกลับคืนเะฉะนั้นอย่าถ้าไม่อยากจะให้ใครเ็าทำอะไรเราอย่าไปทำอะไรเขาการลักทรัพย์ก็เหมือนกันถ้าไม่อยากให้คนอื่นเขามารักทรัพย์ของเราเราอย่าไปรักทรัพย์ของคนอื่น ก <c oughs> ารประพฤติผิดประเวณีก็เหมือนกันถ้าเราไม่อยากให้คนอื่นมายุ่งกับแฟนของเราเราก็อย่าไปยุ่งกับแฟนของคนอื่น <c oughs> แล้วก็ถ้าไม่อยากให้คนอื่นเขามาโกหกหลอกลวงเราเราก็อย่าไปโกหกหลอกลวงเขาแล้วก็อย่าดื่มสุรายาเมา เพราะเวลาดื่มแล้วเมาแล้วจะไม่สามารถที่จะหักข้ามจิตใจเวลาที่คิดจะไปทำบาปได้คนที่ไม่ดื่มโซลานี้มีสติที่จะยับยั้งความคิดไม่ดีได้เวลาคิดจะโกหกก็หยุดได้เวลาจะคิดจะลักทรัพย์หรือไปประพฤติผิดประเวณี ก็หยุดได้แต่ถ้าเมาแล้วนี่ห้ามไม่อยู่เหมือนเมาแล้วขับเมาแล้วขับรถจะความรถจะชนก็หยุดมันไม่ได้นี่คือเรื่องของการศึกษาในเบื้องต้นต้องศึกษา แต่ศึกษาเฉพาะเรื่องที่เราจะปฏิบัติก็พอไม่ต้องไปปฏิบัติเรื่องที่เรายังไม่ได้ปฏิบัติยังไปไม่ถึงเรียนแล้วเดี๋ยวก็ลืมเอาเรื่องที่เราปฏิบัติต้องเอามาใช้ในการปฏิบัติของเราแล้วเดี๋ยวค่อยพอถึงขั้นที่เราจะต้องเรียนเรื่องต่อไปเราค่อยเรียน ขั้นต้นนี้ขั้นที่หนึ่งเอาเรื่องศีลให้ได้ก่อนอพอได้ศีลห้าแล้วก็มาเรียนศีลแปดต่อศีลแปดมีอะไรบ้างศีลแปดก็เปลี่ยนของศีลข้อสามของศีลห้าศีลแปดก็เพิ่มอีกสามข้อเพิ่มข้อหกข้อเจ็ดข้อแปดส่วนศีลข้อที่สามของศีลห้า ก็เปลี่ยนเป็นอบร拉มจริยาคือจะถือศีลพรหมจรรย์คือจะไม่ร่วมหลับนอนกับแฟนของตนอันนี้ก็เวลาเริ่มต้นก็อาจจะรักษาได้เฉพาะบางวันถ้าคนมีแฟนก็ต้องขออนุญาตแฟนก่อนว่าวันนี้วันพระ ในวันที่อยากจะปฏิบัติธรรมขอถือศีลแปดของดการร่วมหลับนอนร่วมกันขอแยกนอนกันคนละห้องหรือขอไปอยู่วัดเนี่ยการปฏิบัติถ้าจะปฏิบัติให้ผลดีนี่ไปปฏิบัติที่วัดดีกว่าดีกว่าปฏิบัติที่บ้านโดยเฉพาะคนที่มีคู่มีครอบครัว เพราะว่าจะไม่ได้จะปฏิบัติไม่เหมือนกับคนที่เขาไม่ได้ถือศีลนั่นเองเดี๋ยวอยู่ด้วยกันแล้วก็จะก็อาจจะมีปัญหาได้งั้นต้องถ้าอยากจะถือศีลแปดถ้าอยากจะปฏิบัติให้ได้มากขึ้นก็ต้องถือศีลแปดศีลน้าก็ปฏิบัติได้แต่มันจะได้น้อยกว่าการ ถือศีลแปดเพราศีลห้า น, นี้จะไม่ได้ห้ามเรื่องไปทำกิจกรรมทางตาหูจมูกเิ่นกายเหมือนศีลแปดฉั้นเวลาที่จะเอามาปฏิบัติทำสำหรับผู้ทศีผู้ที่ถือศีลหานี้จะมีน้อยกว่าเพราะผู้ที่ถือศีลหายังกินข้าวเย็ยนได้อยู่ กว่าจะปฏิบัติก็ต้องหลังจากกินข้าวเย็นแล้วแล้วหลังจากนั้นยังอาจจะขอดูทีวีก่อนดูหนังดูละครก่อนถ้าถือสีห้ากว่าจะได้ปฏิบัติก็ตอนจะเข้านอนแล้วบางทีก็ง่วงซะ ก, ก่อนก็เลยไม่ได้ปฏิบัติกัน หรือถ้ามีคู่ครองเดียวแฟนเขาขอนอนด้วยก็เลยไม่มีเวลามานั่งสมาธิมาปฏิบัติได้นี่คือข้อจำกัดของผู้ที่ถือศีลห้าแต่ถ้าเป็นโสดอยู่คนเดียวนี่ถือศีลห้าหรือศีลแปดก็คล้ายกันเพราะว่าไม่มีภาระหน้าที่ที่ต้องเกี่ยวข้องกับแฟน สีลข้อสามก็เป็นสีลแปดโดยอัตโนมัติเพราะนอนคนเดียวอยู่คนเดียวอยู่แล้วมีแต่สีลข้อหกเจ็ดแปดนี้ที่จะต้องอเพิ่มขึ้นเพราะถึงแม้ว่าอยู่คนเดียวก็ยังอาจจะกินข้าวเย็นยังอยากจะดูหนังดูละครดูทีวีอยากร้องรำทำเพลงอะไรต่างๆอยู่ <c oughs> ก็ต้องอถือศีลแปดเพื่อที่จะได้มีเวลามาฝึกสมาธิมานั่งสมาธิมาทำใจให้สงบแต่ถ้ายังถือศีลแปดไม่ได้ก็ถือศีลห้าไปก่อนแล้วก็พยายามเพิ่มศีลให้มากขึ้นไปเรื่อยๆ ถ้าเรามีความตั้งใจมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะได้ผลจากการปฏิบัติเนื่องจากเราได้ศึกษาได้ฟังคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าจากผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็อาจจะทำให้เราเกิดศรัทธาเกิดฉันทะความยินดี ที่อยากจะสัมผัสกับรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงถ้าเรารู้ว่าถ้าเรานั่งสมาธิทําใจให้สงบได้เราจะได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมสัมผัสกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงคือความสงบก็จะทำให้เรามีแรงมีกาลังใจ ที่จะยอมรักษาศีลแปดยอมหัดรักษาศีลแปดยอมงดการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย <c oughs> การจะปฏิบัติได้มากได้ผลนี่จำเป็นที่จะต้องมีกำลังใจมีฉันทะวิริยะ ฉันทะแปลว่าความยินดีหรือความอยากได้ลดแห่งธรรมเมื่อมีความอยากมีความยินดีแล้วมันจะเกิดวิรยิยะความอุตสาหะความพากเพียรจะต้องทำอะไรให้ได้ลดแห่งธรรมก็จะยินดีที่จะทาต้องรักษาศีลห้าก็จะรักษาศีลห้าต้องรักษาศีลแปดก็ต้องก็ยินดีที่จะรักษาศีลแปด ต้องไปอยู่วัดก็ปะยินดีที่จะไปอยู่วัดอันนี้อาจจะต้องอาศัยการศึกษาฟังเทศฟังธรรมจากผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจากผู้ที่ได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมแล้วเพราะผู้ที่ได้สัมผัสแล้วนี้จะเป็นเหมือนเซลแมนของพระพุทธเจ้า เอาธรรมะมาขายให้กับพวกเราเพราะว่าเซลแมนนี้ที่ได้ใช้สินค้าแล้วนี้จะมีความสามารถที่จะโน้มน้าวผู้ฟังผู้ที่จะซื้อสินค้าให้เห็นภาพเห็นคุณค่าของสินค้าที่จะขายเพราะเซลแมนจะรับประกันยืนยันว่า ดีอย่างนั้นวิเศษอย่างนี้เพราะได้ทดลองได้ใช้มาแล้วอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราไปศึกษาไปฟังเทศฟังธรรมจากพระสุปฏิปันโนทั้งหลายเนี่ยท่านจะเป็นเซลแมนที่มีประสิทธิภาพมากเวลาฟังคำสอนของผู้ที่ได้บรรลุธรรมแล้วนี่มันต่างกับฟัง ทำสอนของผู้ที่ไม่ได้บรรลุธรรมเป็นคนละเรื่องไปเลยฟังคนที่ไม่บรรลุธรรมแล้วฟังแล้วบางทีกบงงกับสงสัยว่าพูดเรื่องอะไรมาก็เพราะเหมือนกับคนตาบอดมาบอกทางให้รู้ว่าทางที่จะไปที่นั่นที่นี่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่ตัวคนตาบอดเองยังไปไม่ถึงเลย พอมาบอกคนอื่นให้ฟังคนอื่นฟังแล้วก็งงจะไปเหนือหรือไปใต้จะไปซ้ายหรือไปขวาแต่ถ้าฟังจากคนที่เขาไปถึงที่แล้วนี่เขาจะบอกเลยไปทางนี้ทางนี้ทำอย่างนี้ทำอย่างนีงนงน้ไม่มีความสงสัยไม่มีความลังเลการที่จะทำให้เรามีความยินดี ที่จะปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเราจําเป็นจะต้องไปเรียนจากผู้ที่ได้บรรลุธรรมแล้วได้รับผลจากการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาแล้วเหมือนกับไปถามคนที่ซื้อสินค้าที่เราอยากจะซื้อว่าสินค้าชนนี้ใช้แล้วเป็นยังไงดีไม่ดีเ อ, อไปถามคนที่ไม่ได้ใช้เขาก็บอกไม่รู้อ หรือก็อาจจะบอกว่าอาจจะดีมั้งอาจจะไม่ดีมั้งพูดไปแต่ถ้าไปถามคนที่เขาใช้แล้วเนี่ยเขาจะบอกดีเขาก็จะบอกว่าดีไม่ดีเขาก็จะบอกว่าไม่ดีนี่คือประโยชน์จากการที่เราศึกษาจากพระปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบผู้ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบอาจจะไม่ต้องเป็นพระก็ได้ กาลาวาดที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็มีแม่ชีก็มีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ที่ได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมแล้วจะเวลาฟังธรรมเวลาศึกษาจากท่านเหล่านี้จะทําให้เรามีกําลังใจมีฉันทะมีความยินดีมีวิริยะ มีความเพียรที่จะปฏิบัติตามที่ท่านสอนเพราะการที่จะได้ผลนี้ต้องได้จากการปฏิบัติและการที่จะปฏิบัติการที่จะมีกำลังใจปฏิบัติก็ต้องเกิดจากการได้ยินได้ฝังจากผู้รู้จริงเห็นจริงถ้าไม่เจอผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ก็ต้องพึ่งพระไตรปิฎกนี่แหละต้องพึ่งคําสอนของพระพุทธเจ้าที่มีแสดงไว้ในพระไตรปิฎกที่มีเก็บไว้บันทึกไว้ในพระไตรปิฎกเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าล้วนๆแต่อาจจะยากหน่อยเพราะว่าไม่รู้ว่าจะไปเริ่มต้นอ่านตรงไหนดีอาจจะต้องเสียเวลามากกว่าจะ จับประเด็นได้ว่าเราจะต้องอทำอะไรก่อนทำอะไรหลังแต่ถ้าเราพอจะรู้เขารู้ทางว่ า, าต้องเรียนเรื่องศีลก็ลองไปค้นดูว่าในพระไตรปิฎกท่านสอนศีลว่ามีอะไรบ้าง เ, าเรื่องสมาธิมีอะไรบ้างาหรือคนเ เลือหาหนังสือที่มีผู้ค้นคว้าหาออกคัดออกมาจากพระไตรปิฎกให้กับเราก็มีบางท่านก็ค้นเรื่องสติออกมาบางท่านก็ค้นเรื่องศีนออกมาบางท่านก็ค้นเรื่องปัญญาออกมาจากพระไตรปิฎกอ่หาหนังสือเหล่านี้ก็จะได้ได้ความรู้ได้ความยินดีได้ฉันทะวิริยะเหมือนกัน อาจจะสู้การได้เรียนรู้จากผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ได้ในกรณีที่เรามีความสงสัยไม่แน่ใจไม่เข้าใจอาจจะทําให้เร า, างงก็ได้แต่ถ้ามีผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้บรรลุธรรมมาสอนเวลามีความคล่องใจอย่างใด ก็สามารถถามได้และได้รับคําตอบอย่างรวดเร็ว น, นี่คือความแตกต่างกันจากการเรียนจากพระไตรปิฎกจากหนังสือที่คัดมาจากพระไตรปิฎกกับการเรียนกับพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ก็แล้วแต่โอกาสของเราว่าเราจะเจอหรือไม่เจอถ้าไม่เจอก็อย่างน้อยเราก็รู้ว่ามีที่เราจะไป ึ่งได้ไปศึกษาได้ก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกหรือคำสอนที่ถูกคัดออกมาจากพระไตรปิฎกเป็นเรื่องเรื่องบางคนก็คัดเรื่องทานออกมาคัดเรื่องสีออกมาคัดเรื่องสมาธิออกมาคัดเรื่องปัญญาออกมารเราก็สามารถที่จะเรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้ได้ พอที่จะเป็นแนวทางที่จะพาให้เราปฏิบัติได้พอให้เรามีกำลังใจมีความยินดีที่จะปฏิบัติพอจะมีการบอกถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติ ด, ด้วยเนี่ยเกิดปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาแล้วจะได้อะไรก็จะได้บรรลุมรรคผลผนิพพาน มรรคก็มีสี่พ้สี่มรรคสี่นิพานหนึ่งมรรคกับผลก็แบ่งเป็นขั้นขั้นเป็นคู่คู่คู่ที่หนึ่งก็คือโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิพ้นมรรคคืออะไรมรรคคือบันไดพ้นคือชั้นที่เราจะขึ้นไปการที่เราจะขึ้นไปสู่ชั้นของอาคารต่างๆ จะขึ้นจากชั้นล่างขึ้นไปสู่ชั้นบนชั้นที่หนึ่งก็ต้องมีบันไดเดินขึ้นไปถ้าไม่มีบันไดก็ขึ้นไม่ได้บันไดคือมรคเนี่ยมรคของโสดาบันต้องเจริญมรคของโสดาบันมรคของโสดาบันก็มีศีลสมาธิปัญญานี่เหมือนกันศีลก็ต้องอย่างน้อยศีลแปด สมาธิก็ต้องเป็นอัปปนาสมาธิส่วนปัญญาที่จะพาให้ไปสู่ผลของโสดาบันก็คือต้องพิจารณาขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราร่างกายนี้ที่เราคิดว่าเป็นตัวเรานี้ไม่ใช่ตัวเรา ความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์นี้ก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นธรรมชาติที่เกิดแล้วดับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่าไปยึดอย่าไปติดต้องปล่อยวางปล่อยวางขันห้าปล่อยรูปคือร่างกายปล่อยวางเวทนาคือความรู้สึกนึกคิดที่มาพร้อมๆกับสัญญาสังขารและวิญญาณ เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้มันมาเป็นพวงเราพิจารณาตัวเดียวก็พอตัวเวทนาตัวเดียวแล้วเวลาปล่อยมันก็ปล่อยทั้งพวงเลยปล่อยเวทนาได้มันก็จะปล่อยสัญญาสังขารปล่อยวิญญาณได้ <c oughs> ปล่อยให้มันเกิดให้มันดับร่างกายก็ปล่อยให้มันเกิดให้มันแก่ให้มันเจ็บให้มันตาย มันไม่ใช่ตัวเราผู้ที่พิจารณานี้ไม่ใช่เป็นร่างกายไม่ได้เป็นขันห้า <c oughs> ผู้พิจารณาคือใจผู้รู้ผู้คิดผู้ใช้ขันห้านี้เป็นเครื่องมือในการพิจารณาต้องใช้สัญญาใช้สังขารพิจารณาความจริงของขันห้าคือร่างกายของเราต้องพิจารณาว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยง เกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้ายังไม่เห็นความแก่ความเจ็บความตายของเราก็ไปดูของคนอื่นก่อนแทนได้เหมือนกันร่างกายเรากับร่างกายของคนอื่นเหมือนกันทุกคนออกมาจากท้องแม่เหมือนกันทุกคนถ้าอยากจะดูว่าร่างกายเวลาของเราแก่เป็นยังไงก็ไปดูร่างกายของพ่อแม่เราของปู่ย่าตายายเรา เหมือนกันต่อไปปู่ย่าตายายเป็นยังไงร่างกายของเราก็จะเป็นเหมือนกับปู่ย่าตายายต่อไปเราก็ต้องเป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายตอนนี้เรายังอาจจะเป็นหนุ่มเป็นสาวยังไม่เป็นพ่อไม่เป็นแม่ก็ดูพ่อดูแม่ดูปู่ย่าตายายดูเวลาที่ร่างกายของปู่ย่าตายายตายไป นี่คือการศึกษาขั้นของพระโสดาบันเขาเรียกโสดาปฏิมาโสดาบันนี่ต้องเข้าใจธรรมชาติของร่างกายต้องเห็นอย่างชัดเจนตลอดเวลาไม่ใช่เฉพาะที่พิจารณาเท่านั้นพิจารณาแล้วต้องเอามาพิจารณาเรื่อยๆจนกระทั่งมันฝังอยู่ในใจไม่หลงไม่ดืมเหมือนกับการ ท่องสูตรคูณเนี่ยการที่เราจะใช้สูตรคูณได้นี้เราต้องท่องมันจกนกระทั่งมันจาได้หมดทุกสูตรนะแปดูณแปดได้เท่าไหร่ต้องโผล่มาทันทีเจ็ดคณเจ็ดได้เท่าไหร่ต้องโผล่ขึ้นมาทันทีเพราะเวลาเอาไปใช้งานมันจะ ต้องใช้แบบทันทีทันใดสมัยก่อนไม่มีเครื่องคิดเลขเหมือนสมัยนี้สมัยนี้คนท่องสูตรคูณไม่เป็นนะต้องอาศัยเครื่องคิดเลขกันเวลาจะคูณอะไรกันทีโอต้องเปิดเครื่องมากดจิ้มกัน <c oughs> คนสมัยก่อนเขาคิดอยู่ในใจเขามีเครื่องคิดเลขอยู่ในใจคือเขาท่องไว้ก่อน สองคูณสองเป็นสี่สองคูณสามเป็นหกสองคูณสี่เป็นแปดท่องไปมีสูตรคูณถึงสิบสองคูณสิบสองเป็นร้อยสี่สิบสี่อันนี้เขาจะให้หัดท่องเอาไว้แล้วเวลาต่อไปจะคิดเลขสามารถคิดได้ไม่ว่าจะคูณด้วยกี่เลขกี่ตัวก็แล้วกันมันก็ต้องคูณทีละตัวนี่แหละคูณไล่ไปทีละตัวมีเลขสี่ตัว ได้สองพันห้าร้อยหกสิบคูณกับสองพันห้าร้อยหกิบมันก็ต้องคูณทีละตัวเอาสองคูณก่อนสองคูณสองพันห้าร้อยหกสิบได้เท่าไหร่แล้วก็เอาห้ามาคูณเอาศูนมาคูณเอาหกมาคูณเอาศูนย์มาคูณไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขสมัยก่อนใช้มือคิดใช้ใช้ความจำนี่คิด อันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยการศึกษาร่างกายนี้ก็เพื่อศึกษาให้ไม่ให้ลืมพวกเรามักจะลืมกันในชะ่ไหมลืมความแก่ลืมความเจ็บไข้ได้ป่วยลืมความตายกัน <c oughs> เห็นไหมพอจะเจ็บไข้ได้ป่วยกลัวกันไปหมดเลยไม่กลัวทำไมมันต้องเจ็บไข้ได้ป่วยกันอยู่ทุกคนแล้วเพียง <c oughs> แต่ว่ามันจะเจ็บตอนไหนเวลาไหนเจ็บด้วยโรคชนิดไหนเท่านั้นเองที่มันต่างกัน แต่ที่แน่นอนก็คือมันต้องเจ็บไข้ได้ป่วยกันทุกคนไม่ไข้หวัดก็ไข้อฮิวาไม่ไข้อะฮิวาก็ไข้เอดมันมีไข้ต่างๆมีโรคต่างๆที่จะมาทำให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยกันแต่ถ้าเราไม่จดไม่จำเราจะตื่นเต้นตกใจหวาดกลัวทุกเนี่ยเป้าหมายของการพิจารณานี้เพื่อสอนใจไม่ให้ทุกไปกับ การเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายไม่ให้ไปทุกข์กับความเกิดแก่เจ็บตายของร่างกายเพราะมันเป็นเรื่องที่จะต้องเกิดขึ้นทุกคนไม่ว่างเว้นถ้าท่องอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ต่อไปมันจะไปตื่นเต้นอะไรถ้ามันไม่ลืมฮ เก็มันต้องเป็นอยู่แล้วก็รู้กันอยู่แล้วเป็นก็เป็นสิเราไม่ได้เป็นมันเสอย่างคนที่ท่องคาถานี้ไม่ได้เป็นร่างกายคนที่ท่องคาถานี้คือใจผู้รู้ผู้คิดผู้ที่ไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายการเรียนรู้นี้เพื่อที่จะได้แยกผู้รู้ผู้คิดออกจากร่างกาย สอนให้ผู้รู้ผู้คิดว่าตนเองไม่ได้เป็นร่างกายในร่างกายไม่มีเราเราคือผู้รู้ผู้คิดนี้ไม่ได้อยู่ในร่างกายในร่างกายนี้มีเพียงอาการสามสิบสองลองไปไปไปผ่าตัดคนตายดูให้หมอที่เขาศึกษานักเรียนแพทย์ก็ศึกษาดูเขาเจอตัวนายกอนายขอในร่างกายไหมสมมติในร่างกายนี้ชื่อนายกอ ลองไปค้นหาในกอดูในร่างกายนี้มีไหมลองไปค้นดูสิลองไปผ่าชํารละชิ้นส่วนออกมาเหมือนกับเราพ่อขาหมูพ่อ้าอวัวที่เขาชํารละชิ้นชิ้นส่วนแล้วไปขายที่ตลาดใช่ไหมพ่อขาอวัวเขาก็เอาหนังวัวออกเอาขนวัวออกเอาตับวัวเอาตไตวัวไปแยกเป็นส่วนๆร่างกายของเราก็เหมือนวัวควายดีๆนี่ ถ้าเปรียบเทียบถึงอวัยวะต่างๆในร่างกายมีเหมือนกันเรามีหัวใจวัวมันก็มีหัวใจเรามีตับหวหัวก็มีตับเนี่ยถ้าขายคนได้ก็ต่อไปก็คงมีเขียงขายตามตลาดเนี่ยเพียงแต่เราไม่นิยมกินเนื้อคนเท่านั้นเองถ้าต่อไปมนุษย์มันวิววปร้าดมันต่อไปอาจจะมีเรื่องอะไรคนตายแล้วไปทิ้งไปเผาทิ้งทำไม เอามาขายไม่ดีกว่าเอามาทำเป็นอาหารไม่ดีกว่า <c oughs> คนก็มีเนื้อเหมือนวัวใช่ไหม อ, อมีทุกอย่างเหมือนกันหมดเนี่ยลองไปค้นดูดีว่าเวลาคนตายแล้วนายกอตายแล้วลองไปหาดูว่านายกอมีอยู่ในร่างกายของนายก อ, อมออ่ลองไปชำแหละดูแยกชิ้นส่วนดูเอาผมกองไว้กองนึ่ง เอาขนกองไว้กองหนึ่งเอาเล็บกองไว้กองหนึ่งเอาหนังเอาฟันแยกออกไว้เป็นชิ้นส่วนเดี๋ยวมันก็ไม่มีหรอกมันมีแค่อาการสามสิบสองใหญ่ๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราพิจารณากันอยู่เรื่อยๆเพื่อเราจะได้ไม่มาหลงคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราในตัวในตัวร่างกายนี้หาเราไม่เจอไม่มีวันเจอเพราะเราไม่ได้อยู่ในร่างกาย เราอยู่อีกโลกหนึ่งเราอยู่ในโลกทิพย์เนี่ยผู้รู้ผู้คิดอยู่ในโลกของจิตวิญญาณดวงวิญญาณเนี่ยเราเป็นดวงวิญญาณมาเกาะร่างกายเหมือนกับคนมาขี่มา้าเนี่ยหรือเหมือนเหมือนกับคนที่ม า, ามาได้หุ่นยนต์สมัยนี้ก็มีหุ่นยนต์มีแข่งหุ่นยนต์ใช่แต่คนควบคุมหุ่นยนต์นี้ไม่ได้อยู่ในตัวหุ่นยนต์ เขาควบคุมหุ่นยนต์ด้วยกระแสวิทยุสั่งการให้หุ่นยนต์เคลื่อนไปทางนั้นทางนี้ทํานู่นทนํานี่แต่คนที่ควบคุมหุ่นยนต์นี้ไม่ได้อยู่ในตัวหุ่นยนต์ใจผู้รู้ผู้คิดที่สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆนี้ก็ไม่ได้อยู่ในร่างกาย เป็นผู้ที่คอยสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆเนี่ยวันนี้จะมาที่นี่ได้ก็ต้องรอต้องให้ใจสั่งมาก่อนถ้าใจไม่สั่งให้มาร่างกายมันไม่มาถ้าใจสั่งให้ไปที่อื่นมันก็ไม่มาที่นี่ถ้าไม่สั่งให้ไปไหนมันก็อยู่บ้านหรืออยู่โรงพยาบาลวางเวลาจะสั่งแต่ก็สั่งแล้วมันก็ไปไม่ได้ก็เลยไม่สั่ง เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยอยากจะไปนู่นไปนี่ก็รู้ว่าไปไม่ได้ก็เลยไม่สั่งให้มันไปนี่แหละคือผู้สั่งกับผู้รับคำสั่งนี้เป็นคนละคนกันเราต้องแยกด้วยวิธีแยกแบบนี้ท่านเรียกว่าแยกด้วยปัญญาต้องคอยเตือนใจสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายกับเรานี่เป็นคนละคนกันเราเป็นเหมือนแฝดสยามก็ได้ มีแฝดพี่กับแฝดน้องเกาะติดกันอยู่แฝดน้องเป็นอะไรแฝดพี่ไม่ได้เป็นด้วยพี่นี้ไม่มีรูปร่างหน้าตาไม่มีสัด ส, ส่วนไม่มีส่วนประกอบที่จะทำให้เกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีส่วนประกอบที่จะทำให้มันตายแต่ร่างกายนี้มันมีส่วนประกอบที่จะทำให้มันแก่ให้มันเจ็บให้มันตาย นี่คือการเจริญมรรคของโสดาบันก่อนจะเจริญมรรคได้นี่ก่อนจะเจริญปัญญาได้นี่ต้องไปฝึกสมาธิให้ได้อัปปนาสมาธิก่อนถ้าไม่มีอัปปนาสมาธิจิตไม่มีกำลังเพราะกิเลสมันจะยังมาลบกวนอยู่เวลาจะคิดเรื่องนี้มันไม่คิดเดี๋ยวคิดไปพวกมันคิดไปถึงเรื่องอื่นลคิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ เพราะมันเคยคิดอย่างนั้นกิเลสมันเป็นผู้คอยดึงใจให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ ต, ตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาเชื่อไหมว่าเป็นเรื่องของกิเลสพาคิดทางนั้นพาให้ไปหาสิ่งนั้นหาสิ่งนี้หาคนนั้นหาคนนี้หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสหาความสุขจากคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้มันไม่เคยให้มาคิดว่าไห้ร่างกายของเรานี้เป็นใครนั้นเป็นของใครกันนะ มันไม่เคยคิดอ่ะถ้าไม่บังคับมันนี่จะบังคับมันได้นี้ต้องหยุดไอ้ตัวที่สั่งให้มันไปคิดเรื่องอื่นก่อนการนั่งสมาธิให้จิตสงบเป็นอัปปนาสมาธินี้ก็เพื่อหยุดการทำงานของกิเลสนั่นเองของตัวที่จะคอยดึงใจให้เราไปคิดถึงเรื่องต่างๆที่กิเลสอยากจะให้คิดเรื่องที่กิเลสอยากให้คิดก็คือเรื่องอะไร ก็เรื umas, tension, bronze, ่องลาบยศจารเสริญสุขนี่ทุกวันนี้เราตื่นขึ้นมานี่ก็คิดหาอะไรกันหาลาบยศจารเสริญสุขกันทั้งนั้นวันนี้จะไปหาเงินที่ไหนดีวันนี้จะได้เงินมาเท่าไหร่วันนี้จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือเปล่าวันนี้จะได้รางวัลหรือเปล่าวันนี้จะได้ไปเที่ยวที่นั่นที่นี่หรือไม่ จะได้กินได้ดูได้ฟังอะไรหรือไม่มันจะคิดอยู่กับเรื่องราวเหล่านี้ทั้นั้นไอ้เรื่องที่จะให้มันมาคิดว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเรามันไม่คิดะพอไม่คิดไอ้ความคิดเดิมที่คิดว่าเป็นตัวเราของเรามันก็เลยกลายเป็นความจริงขึ้นมาอย่างตอนนี้ขนาดพูดให้ญาติโยมฟังแบบนี้ญาติโยมก็ยังไม่เชื่อเหรอญาติโยมก็ยังคิดว่ายังเป็นตัวกูอยู่นั่นแหละ ร่างกายนี้ก็ยังเป็นตัวกูของกลเป็นตัวเราของเราอยู่นั่นพออะไรมาแตะร่างกายหน่อยใจสะดุ้งกันหน่อยนะพอยุงมาเกาะหน่อยฮะสะดุ้งกันมาแล้วพอเห็นงูเลื้อยผ่านมาใจก็สะดุ้งขึ้นมาแล้วที่สะดุ้งไม่ใช่ร่างกายสะดุ้งนะร่างกายมันไม่รู้เรื่องร่างกายมันไม่กลัวงูหรอกไอ้ตัวที่กลัวงูก็คือใจตัวรู้เนี่ย รู้ว่างูมากัดให้ร่างกายเจ็บได้ทำให้ร่างกายตายได้อือนี่แหละ <c oughs> คือโสดาปฏิมักเนีเดินขึ้นบันไดขึ้นสืขั้นโสดาบันนี้ต้องสามารถเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราแล้วไม่ใช่เห็นเฉพาะที่เราพิจารณาต้องเห็นตลอดเวลาไม่หลงไม่เลมไม่ขาดตอนเพราะเวลาที่ จะเกิดปัญหากับร่างกายมันเกิดได้ทุกเวลาอยู่ๆร่างกายอาจจะเป็นอะไรขึ้นมาได้ทันทีทันใดถ้าเราไม่มีปัญญาที่จะคอยสอนใจว่าปล่อยวางร่างกายไม่ต้องไปทุกข์กับมันไม่ต้องไปกังวลกับมันแต่ดูแลมันได้ถ้าดูแลได้ก็ดูแลไปแต่ถ้าดูแลไม่ได้อย่าไปวุ่นวาย เป็นเจ็บท้องไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นมะเร็งในลำไส้เนี่ยจะเป็นโสดาบันไม่เป็นดูตรงนั้นนะถ้าทุกข์ใจวุ่นวายใจนี้เป็นอย่างเป็นไม่ได้ถ้าเฉยว่าเออไม่ใช่ตัวกูของกูเดี๋ยวมันก็ต้องตายตอนนี้มันเจ็บแล้วตอนนี้ต้องเตรียมสาราให้มันแล้วเตรียมจองสาราเตรียมเตรียมโรงให้มันละ อย่างครูบาอาจารย์เนี่ยหลวงปูบ่บนท่านเสียเนี่ยท่านสั่งงานศพของท่านไว้ทุกขั้นตอดไปมาพอท่านตายพบให้ทำอย่างไรท่านรู้แล้วว่ามันจะต้องตายท่านบอกให้จัดงานศพแบบเรียบง่ายเห็นไหเก็บสามเก็บไว้สามคืนเผาตายสิบหกเผาสิบเก้าไม่ต้องจัดงานไม่ต้องมีอะไร ไม่ต้องสร้างเมนเตรียมฟืนไว้ละเตรียมฟืนเตรียมลงไว้ละไม่ต้องลดน้ําเสืียด้วยซ้ําไปพอตายปั๊บก็ให้จับเข้าลงเอาใส่ยลงเปิดลงแล้วก็ไปตั้งให้ผู้ที่มีความเคารพนับถือไปกราบไหว้เป็นครั้งสุดท้ายเท่านั้นเองนี่แหละคือคนที่เห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราไม่ได้ไปยินดีร้ายกับร่างกาย ที่มันเป็นเพียงเหมือนกับเป็นคนรับใช้เราร่างกายนี้มันเป็นคนรับใช้ใจเป็นนายกายเป็นบ่าวมันคอยรับใช้เรามันทำหน้าที่ของมันแต่มันก็จะต้องมีวันที่มันไม่สามารถทำหน้าที่ได้เมื่อรักษาให้มันหายไม่ได้มันจะขอหยุดหายใจก็ต้องปล่อยให้มันหยุดหายใจไป แต่คนใช้มันคนสั่งมันนี่ไม่ได้เป็นอะไรไปกับมันครูบาอาจารย์ผู้มีดวงตาเห็นธรรมทา่านเห็นอย่างนี้เห็นว่าร่างกายกับเราอันนี้เป็นคนละคนกันท่านเลยไม่รู้สึกเดือดร้อนไม่รู้สึกหวั่นไหวเตรียมงานศพของตนเองได้อย่างสบายนี่แหละถ้าอยากจะเป็นสวดามันต้องเป็นแบบนี้ กลัวเจ็บนั่กลัวตายหรือเปล่าพอเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยตอนนี้โรค ก, กําลังโรคหวัดกําลังระบาดยังมาไม่ถึงเลยยังอยู่ที่นู่นอยู่ที่เมืองจีนเนี่ยแต่ใจคนไทยไปถึงไหนแล้วไปถึงเมืองจีนแล้วมั้งไปเป็นหวัดกับเขาแล้วมั้งเนี่ยอวุ่นวายไปกับมันแล้วออเนี่ยเพราะกลัวกลัวร่างกายจะเป็นอะไรคิดว่าตนเองเป็นร่างกาย คิดว่าตนเองจะตายไปกับร่างกายจะเจ็บไปกับร่างกายนี่แหละคือขั้นของการเจริญมรรค มีอยู่สี่ขั้นด้วยกันขั้นแรกก็ขั้นของโสดาบันต้องพิจารณาขันห้าศึกษาขันห้าการศึกษาก็คือการสร้างปัญญาการเจริญปัญญาปัญญานี้จะสอนให้เราเห็นว่าทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังไม่เที่ยงถ้าไปยึดไปติดมันเวลามันไม่เที่ยงจะทําทให้เราทุกข์ เวลามันเวลามันจากเราไปเวลามันเป็นอะไรไปมันจะทําให้เราทุกข์ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็อย่าไปยึดไปติดมันปล่อยให้มันไม่เที่ยงไปเวลามันจะแก่ก็ปล่อยมันแก่ไปเวลามันจะเจ็บก็ปล่อยให้มันเจ็บไปแต่ไม่ได้ปล่อยแบบปล่อยปละละเลยมีหน้าที่เลี้ยงดูมันก็เลี้ยงดูมันไป ยังต้องให้ข้าวมันก็ให้มันข้าวมันกินไปแต่ถ้าไม่ทำก็ได้ถ้าเบื่อไม่อยากที่จะเลี้ยงมันปล่อยให้มันอดตายกไ็ไม่บาปไม่ได้เป็นการฆ่าตัวตายเรียกว่าเป็นการปล่อยวางแบบเต็มร้อยเมื่อมันไม่ได้ตัวเราไปเสียเวลาเลี้ยงมันทำไมเลี้ยงมันยังไงเดี๋ยวมันก็ต้องตายอยู่ดี อย่างนี้ไม่บาปถ้าไม่เลี้ยงมันไม่รักษามันไม่บาปแต่ถ้าไปฉีดยาให้มันตายอย่างนี้บาปไปทําให้มันตายบาปแต่ถ้าปล่อยให้มันตายไม่บาปปล่อยให้มันเป็นปล่อยให้มันตายไม่บาปมันจะอยู่ก็ปล่อยมันอยู่ไปมันจะตายก็ปล่อยมันตายไปอย่างนี้ไม่บาปถ้าขี้เกียจกินไม่กินก็ไม่บาปขี้เกียจดื่มน้ําไม่ดื่มน้ําก็ไม่บาป แต่อย่าไปทำให้มันตายเองก็แล้วกันอย่าไปทำให้อย่าไปเอาเชือกมาผูกคอรัดคอไม่ให้มันหายใจอย่าไปฉีดยาให้มันตาย <c oughs> ถ้ามันจะตายเองด้วยวิธีใดอดข้าวตายก็ปล่อยมันอดข้าวตายไปอดน้าตายก็ให้มันอดน้ำตายไปอดลมไม่มีที่ลมหายใจก็ปล่อยมันไปอ ย, <c oughs> อย่างนี้ไม่บาปนะพระโสดาบันท่านทำได้นะ ถ้าถึงเวลาที่ท่านจะต้องปล่อยร่างกายนี้ท่านปล่อยได้ไม่ใช่แต่พระโสดาบันะคือตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปพระสะกิฎาคาพระอน า, าคาคาพระอาหารหันต์ก็เป็นคนเดียวกันนี่แหละคือการปฏิบัติธรรมนี้เราก็เลื่อนขั้นไปขั้นต้นเราก็ได้ขั้นเป็นพระอน า, าคาก่อนเหมือนทาหารตอนเริ่มต้นก็เป็นนายร้อยก่อนเถอะ เดี๋ยวขั้นต่อไปก็เป็นนายพันก็คนเดียวกันนั่นแหละแต่ตอนนี้ไม่ได้เป็นนายร้อยแล้วเป็นนายพันแล้วแล้วเดี๋ยวก็เป็นนายพลเดี๋ยวก็เป็นจอมพลมันก็คนเดียวกันตะอาริยบุคคลสี่ขั้นนี้ก็คนเดียวกันเหมือนกับคนเรียนหนังสือจบปริญญาตรีโทเอกก็คนเดียวกันแต่จบเป็นทีละขั้นทีละขั้นไป การปฏิบัติธรรมก็ต้องผ่านเป็นขั้นขั้นไปเหมือนกับการเดินขึ้นสู่ชั้นสูงนชั้นสูงก็ต้องผ่านชั้นต่ำก่อนเช่นก่อนจะขึ้นถึงชั้นที่สี่ได้ก็ต้องขึ้นชั้นที่หนึ่งก่อนพอถึงขั้นที่หนึ่งแล้วก็ต้องเดินบันไดของขั้นที่สองพอขึ้นถึงขั้นที่สองก็ต้องเดินบันไดของขั้นที่สามขั้นที่สี่ไปเนี่ยมรรคผลเป็นอย่างนี้มรรคคือบันได ผลคือขั้นของธรรมที่เราได้บรรลุถึงขั้นโสดาบันก็ต้องมีศีลสมาธิปัญญาระดับของโสดาบันศีลสมาธิของทุกระดับเหมือนกันศีลสมาธิของทุกขั้นนี้เหมือนกันศีลต้องบริสุทธิ์อย่างน้อยศีลแปดขึ้นไปศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยยิบเจ็ดศีลสามร้อยสิบเอ็ดข้อได้ทั้งนั้นเป็นศีลเหมือนกัน แล้วก็สมาธิก็ต้องเป็นอัปปนาสมาธิมีอุเบกขาเนี่ยเหมือนกันเรื่องของสีกับสมาธินี่เหมือนกันทุกขั้นแต่เรื่องของปัญญานี้เป็นคนละเรื่องกันเพราะเหมือนกับทำโจทย์คนละข้อกันเวลาทำข้อสอบก็มีมีคำถามอยู่สี่ข้อเนี่ยผู้ที่จะบรรลุธรรมขั้นต่างๆนี้ก็ต้องมี มีคำถามที่จะถูกถามอยู่สี่ข้อว่าทำได้หรือเปล่าจะถามว่าขันห้านี้เป็นตัวเราหรือเปล่าขันห้านี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงขันห้านี้เป็นทุกข์หรือเป็นสุขนี่คือคำถามของขั้นที่หนึ่งข้อที่หนึ่งจะถามเรื่องขันห้าตอบขันห้าได้หรือเปล่าแต่ไม่ได้ตอบแบบในห้องสอบที่เราเขียนด้วยกระดาษนะต้องไปตอบในห้องสอบด้วย ห้องสอบของชีวิตนะคือเวลาเจอความแก่ความเจ็บความตายจริงๆตอนนี้ยังไม่เจอเนี่ยพวกเราตอนนี้ยังไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายกันฮยังไม่ได้ทำข้อสอบนะเพียงแต่มาเรียนรู้ว่าจะต้องทำข้อสอบอย่างไรต่อไปเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยวันดีคืนดีอาจเดี๋ยวจะเจอโรคหวัดขึ้นมาอาจจะเป็นหวัดขึ้นมาเนี่ยดูซิว่าใจเป็นยังไงละ ใจจะฟุ้งไปว่าเป็นโรคโคลิหน้าหรือเปล่าหรือเป็นหวัดธรรมดาจะวิตกกังวลจะหวาดกลัวกินไม่ได้นอนไม่หลับหรือเปล่าอันนี้แหละเป็นข้อสอบของผู้ที่อยากจะเป็นโสดาบันอยากจะเป็นโสดาบันกันหลือเกินลองไปทำข้อสอบดูเวลามันเจ็บนี่ป่ยให้มันเจ็บได้หรือเปล่า แล้วเริ่มโอดควรคางเริ่มขยับนั่งสมาธิพอเจ็บหน่ายขอขยับแล้วปวดแล้วถ้าอย่างนี้ก็เป็นโสดาบันไม่ได้เป็นโสดาบันก็ความเจ็บนั้นเป็นเจ็บที่ร่างกายใจไม่ได้เป็นผู้เจ็บใจไปเดือดร้อนกับความเจ็บทําไมใจเป็นเพียงผู้ฟังผู้รู้เหมือนเสียงเห็นไหมเสียงเขาด่าเราทําไมเราต้องไปเจ็บด้วยทําไมใจเราต้องเจ็บด้วย เสียงมันเข้าไปในหูผู้ที่ควรจะเจ็บก็คือร่างกายร่างกายมันไม่เจ็บนะแต่ใจกลับไปเจ็บแทนทนฟังเสียงด่าไม่ได้นี่แหละคือใจเนี่ยใจนี้อ่อนไหวง่ายนะถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาอะไรมากระทบหน่อยนี่ไปเลยแต่ถ้ามีสติมีสมาธินี่จะเฉยได้ จะรู้ว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติเรื่องธรรมดาไม่ว่าจะแก่เจ็บตายก็เป็นธรรมดาไม่ว่าจะเป็นเสียงชมเสียงดา่าก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่ว่าจะเป็นความเจ็บปวดของร่างกายก็เป็นเรื่องธรรมดาของมันที่มันจะต้องเป็นมันไม่สามารถมาทำร้ายใจได้ใจไม่ได้เป็นอะไรไม่สูญหายไม่ ไม่ขาดไปไม่ขาดส่วนนั้นขวดส่วนนี้ไปใจก็เหมือนเดิมเป็นผู้รู้ผู้คิดเหมือนเดิมแต่ถ้าใจไม่มีปัญญานี่ใจจะวุ่นขึ้นมาใจจะเดือดร้อนกินไม่ได้นอนไม่หลับไปกับเรื่องของคนอื่นไม่ใช่เรื่องของตัวเองเท่า น, น่อยเรื่องของคนอื่นก็นไปวุ่นวายกับเขาทำไมร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็เรื่องของร่างกาย คนด่าเรามันก็เรื่องของคนด่าคนที่มันด่ามันแสดงว่ามันทุกข์มันถึงด่าเราใช่ไหมคนที่ไม่ด่าคนที่คนที่ไม่ทุกข์จะไปด่าคนอื่นไหมไม่ด่าหรอกเวลาเรามีความสุขแล้วอยากจะด่าใครรู้ปะเวลาเรามีความทุกข์นั่นะเราถึงเราอยากจะด่ามันเราต้องแทนที่จะไปโกรธคนด่าแล้วกับสงสารควรจะสงสารมันว่าโอ้ยนี่มันทุกข์เนี่ย มันกำลังทุกข์มันเลยต้องระบายออกมาด้วยวาจาที่หยาบคายต่างๆไม่ใช่ว่ามันมีความสุขไม่ไม่น่าอิจฉามันเลยไม่น่าโกรธมันเลยควรจะสงสารมันสิเองถ้ามีปัญญาแล้วมันจะคิดกันคนละมุมคนละเรื่องเลยถ้าไม่มีปัญญานี่มันจะคิดว่ามันกําลังดูถูกกําลังเหยียดย้ำกําลังอะไรเรา ต่า ง, างนาๆนานานี่คือเรื่องของปัญญาปัญญาของท่านเนสดาบันก็คือต้องพิจารณาร่างกายและเวทนาคือความรู้สึกที่มาทางร่างกายว่ามันไม่เที่ยงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอนัตตาห้ามมันไม่ได้มันจะเจ็บจะสั่งให้มันหายเจ็บไม่ได้ เดี๋ยวมันหายเองไม่ต้องไปสั่งเราเคยเจ็บตั้งแต่เกิดมาจนวันตายหรือเปล่ามันก็เจ็บบ้างไม่เจ็บบ้างสลับกันไปสลับกันมาเราก็อยู่กับมันมาได้ไม่ใช่หรอมันเจ็บเราก็ผ่านมาได้มันไม่เจ็บเราก็ผ่านมาได้เพียงแต่ปัญหาที่ทำให้เราทุกข์ก็คือเราไม่อยากเจ็บเท่านั้นเองถ้าเราหยุดไอ้ความไม่อยากเจ็บได้มันก็จะไม่มีความทุกข์กับมันในเมื่อเราหนีมันไม่พ้นเราจะไปอยากไม่เจ็บทาไม อยากไม่เจ็บแล้วมันทุกข์ก็เปล่าเวลามันเจ็บก็ปล่อยมันเสร็จมันอยากเจ็บก็ปล่อยให้มันเจ็บไปเปลี่ยนจากความอยากไม่เจ็บเป็นอยากเจ็บไม่ดีกว่าเลยเวลาเราอยากอะไรแล้วเราได้เราดีใจหรือเสียใจดีใจใช่ไหมโอ้อยากให้เขาดา่าพอเขาดา่าเราก็ดีใจอยากให้เขาไม่ดา่าพอเขาไม่ดา่าก็ดีใจแต่พอเขาด่าก็จะเสียใจ ยันทางที่ดีอย่าไปอยากดีกว่าเฉยๆดีกว่าต้องมีสมาธิเนยะถึงเฉยๆได้ปัญญาบอกให้เฉยปัญญาจะบอกใจให้เข้าเกี่ยวว่าอย่าไปยินดียินร้ายอย่าไปรักอย่าไปชังให้เฉยๆกับทุกสิ่งทุกอย่างที่จิตใจไปสัมผัสรับรู้แล้วต่อไปจิตใจก็จะไม่ทุกข์กับเรื่องราวของร่างกาย ไม่ทุกกับเรื่องราวของความเจ็บความความทุกข์ทางร่างกายจิตใจจะเฉยจะไม่ทุกข์เนี่ยทาให้ทุกข์กับเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายแล้วก็ได้ขั้นพระโสดาบันแล้วผู้ที่ได้โสดาบันก็จะเชื่อพระพุทธเจ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะทีนี้เพราะนี่คือคําสอนของใครถ้าไม่ใช่คําสอนของพระพุทธเจ้า เมื่อได้เห็นธรรมคมสอนพระพุทธเจ้าสแสดงผลให้เห็นอย่างชัดเจน ว, ว่าสามารถกำจัดความทุกข์ของตนเองได้เนี่ยจะไปสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทาไมแล้วจะไปสงสัยเรื่องเรื่องการรักษาศีลทาไมจะเชื่อเรื่องการรักษาศีลว่าทำบาปแล้วจะทำให้ใจทุกข์เนี่ยภารยาบุคคลทุกคนนี้จะไม่ทำบาป ก็รู้ว่าความทุกข์ไม่ได้เกิดจากจากการมันเกิดจากการที่เราไปมีความอยากหรือไม่อยากต่างหากจากการไปแก้ความทุกข์ด้วยการไปทําบาปนี่ไม่ได้เป็นการแก้กลับเป็นการเพิ่มความทุกข์ขึ้นมาเพราะเวลาทําบาปใจมันจะร้อนใจมันจะทุกข์ขึ้นมาเท่านั่นเองนี่คือตัวอย่างของมรรคผลของผู้ปฏิบัติ วันนี้เอาเพลงแต่ขั้นแรกคือขั้นพระโสดาบันแต่ทุกขั้นจะต้องมีศีลสมาธิก่อนต้องมีศีลแปดขึ้นไปรักษาทุกวันทุกเวลาสมาธิจิตก็ต้องสงบทุกเวลาไม่ใช่เฉพาะช่วงที่เรานั่งเท่านั้นต้องนั่งทั้งวันทั้งคืนสลับกับเดินเพื่อที่จะทำจิตให้สงบให้เป็นอุเบกขาตลอดเวลาแล้วก็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 ถ้าเราไม่ไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอพอเข้าใจเนี่ทีนี้เวลาร่างกายเป็นอะไรก็จะเฉยเฉยทันทีแต่ไม่เฉยเมยถ้ายังอยากจะรักษามันได้ก็รักษาไปแต่ถ้าไม่อยากจะรักษาปล่อยมันตายก็ได้จะปล่อยให้มันตายก็ได้ เช่นหมอบอกเป็นมะเร็งแล้วรักษาไม่หายแล้วจะรักษาไม่รักษาก็ตายอย่างนี้ก็บอกหมอไม่ต้องรักษาแล้วขอกลับบ้านดีกว่าขอไปอยู่สบายๆดีกว่านอนอยู่บนเตียงให้หมอเอายาเอาเข็มมาทิ่มมาฉีดยังไงก็ต้องตายอยู่ดีอันนี้ก็ปล่อยให้มันตายโดยธรรมชาติของมันก็จะไม่ทุกข์กับมันถ้ามีปัญญา ไม่ให้ไปยึดไปถือว่าเป็นตัวเราของเราไม่ให้ใบมีความอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายใจของเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ของเรื่องของร่างกายได้จะไม่ทุกข์กับเรื่องของร่างกายอีกต่อไปแต่ยังมีทุกข์กับเรื่องของคนอื่นทุกข์กับเรื่องของแฟนอยู่ยังรักแฟนยังชอบแฟนอยู่อันนี้ต้องไปพิจารณาเรื่องของแฟนต่อไปแล้วก็ยังไปทุกข์กับเรื่องของความรู้สึกนึกคิดอยู่ ที่จะต้องทำขั้นต่อไปจนถึงขั้นที่สี่ถึงจะสามารถเข้าใจสิ่งที่ใจมีสิ่งที่ใจเกี่ยวข้องอยู่และเห็นว่าทุกอย่างเป็นตายนักหมดเห็นว่าจะอยู่กับสิ่งเหล่านี้ได้ต้องอยู่แบบปล่อยวางต้องไม่ยึดไม่ติดกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างถาวรต่อไปนี่คือเรื่องของ การทำความเพียรเรื่องของการปฏิบัติธรรมที่จะทำให้เกิดผลต้องปฏิบัติอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องแล้วทำจากน้อยขึ้นไปหามากจนกว่ามันจะเต็มร้อยเมื่อเต็มร้อยแล้วผลมันก็จะเริ่มปรากฏขึ้นมาตามขั้นของมันขั้นของสมาธิมันก็จะได้อุเบกขาขั้นของปัญญามันก็จะได้มรรคผลนิพพานตามลาดับต่อไป การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวหาปูราปิริปุเรนติสากลังเอวเมวาอิโตทินนางเปตานังอุปกปติอิที่ต um ังปที่ตังตุมหังคิปเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปันารโสยธามณีโชติอาฬโสยธาสัพพิติวิวัจฉันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตราโยสุขีทีคายุโกภวะ อพิวาทานสีิตสานิจังวุธาปจายจโนจตารโธรรมวาทานติอายุวนโนสุขังภาลาง <c oughs> ช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอยากจะถาม เชิญถามได้ในช่วงนี้ช่วงเดียวหลังจากที่เราเลิกแล้วก็จะของดถามเพราะไม่สะดวกต้องทำอย่างอื่นต่อแต่กระถามถามตอนนี้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่เช้าค่ะทางเฟซบุ o กห้าร้อยสามสิบเจ็ดยูทูบสามร้อยห้าสิบเก้าวิทออนไลน์สิบเจ็ด แล้วฟังบนเขาห้าสิบเก้ารวมทั้งสิ้นเก้าร้อยเจ็ดสิบสองท่านเจ้าค่ะนมัส ก, การค่ะหลวงพ่อ อ, อ, อันนี้เป็นคำถามจากอมมาที่อยู่ทางบ้านเจ้าค่ะฝากถามมาว่าอามาบอกว่าไม่เข้าใจว่าคนข้างๆบ้านอะมาไม่ชอบอามาทั้งๆ ท, ที่อามา ไม่ได้ทําอะไรให้แต่ทั้งๆ ท, ที่อาม้าก็เป็นคนแบ่งปันแต่ทําไมชอบว่าอามะแล้วก็เกลียดอามะก็บอกก็าเขาเป็นอย่างนั้นไงไม่ต้องเป็นอามะหรอกอย่างอื่นมันก็เกลียดได้คนเราหมามันยังเกลียดได้เก้าอี้มันยังเกลียดได้คนเรามีความเกลียดอยู่ในใจพอมันเห็นอะไรมันก็เกลียดไปหมดน้ไม่ใช่เป็นความผิดของเราที่เขามาเกลียดเรา ความผิดของเขาที่เขามีความเกลียดอยู่ในใจเขาเป็นกิเลส ข, ของเขาคนบางคนก็รักเราบางทนก็เกลียดเราอยู่ที่ใจของเขาว่าเขามีความรักหรือความเกลียดเราไปไปเปลี่ยนเขาไม่ได้เราก็ปล่อยเขาเกลียดไปเราไม่โดยขอเขากินทุกอย่างไปกลัวทำไม ถ้าเราไม่ถ้าเรากลัวถ้าเราขอเขากินก็น่ากลัวหน่อยเพราะเขาเกลียดเราเขาก็ไม่เลี้ยงเราแต่ถ้าเรา unu, ain, ไม่ขอเขากินเราก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรกับเขาความกังวลของเราอยู่ที่กิเลสของเราอยากให้เขารักเราอยากให้เขาไม่เกลียดเราเราก็เลยไม่สบายใจเราต้องเข้าใจว่าในโลกนี้มีทั้งคนที่รักเรามีทั้งคนที่เกลียดเราเป็นธรรมดา แล้วความไม่สบายใจของเราเกิดจากที่ใจของเราอยากไปให้เขารักไม่อยากให้เขาเกลียดเราเท่านั้นเองซึ่งพอไปเจอคนที่เขาเกลียดเราเราก็เสียใจแต่ไม่มีใครทุกคนในโลกนี้เขาจะมารักเราหรอกแล้วก็ไม่มีคนทุกคนในโลกนี้เขาจะมาเกลียดเรามันก็มีผสมกันไปเนี้ยเราต้องรู้จักทําใจอย่าไปอยากให้เขารักอย่าไปอยากให้เขาเกลียดไม่ไม่เกลียดเรา บ่อยเขาเป็นไปตามธรรมชาติอย่าไปอยากให้ในโลกนี้มีดอกกุหลาบอย่างเดียวมีไม่ได้หรอกเนี่ยดอกกุหลาบมันยังมีหลายสีเลยใช่ไอมคนก็มีหลายสีหลายชนิดเหมือนกันคนรักเราก็มีคนเกลียดเราก็มี คอาม่าติดตามหลวงพ่อทุกวันวันนี้ก็คงฟังอยู่ถ่ายทอดจดนะเจ้าค่ะดูทุกวันเลยเจ้าค่ะเข้าใจไหมพูดอย่างนี้เข้าใจไหมไอคิดว่าวันนี้เขาหน้าจะเข้าใจอ่ะเจ้าค่ะวความผิดอยู่ที่อาม่เองไม่ได้ทีที่เขาอยู่ที่เราพยายามให้เขาไม่เกลียดเราเราก็เลยทุกข์สาธุเจ้าค่ะมีใครอยากถามถามได้นะ เดี๋ยวค่อยถามก็ได้ท่านึกยังไม่ออกว่าจะถามอะไรก็ลองฟังไปก่อนก็ได้ อ, อ่าเดี๋ยวมาเอาไมโครโฟนเะดี๋ยวช่วยส่งไปไ่อยน้อมกลับนมัส ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ะหนูมีคำถามเกี่ยวกับพระวินัยเจ้าค่ะพอดีว่าหนู ได้ขนจำมาลีเป็นหนังจำมาลีนะเจ้าค่ะอยากจะถวายโคบาอาจารย์เจ้าค่ะไม่ทราบว่าต้องทำยังไงถึงจะถูกต้องเจ้าค่ะในการนำถวาย อ, อ๋อก็ไปถามคนที่เราจะถวายกันแล้วกันเราไม่รู้หรอกเจ้าค่ะเราไม่รู้เรื่องพระวินัยแบบละเอียดอันนี้ต้องไปถามพระที่เขาเรียนมาดีกว่านะ เป็นขนเนื้อสัตว์และขนสัตว์เนี่ยเนื้อสัตว์เจ้าค่ะนในพระวินยัยท่านมีบ่งไว้ว่าถวายแบบอย่างไหนได้อย่างาไหนไม่ได้มั้งนี่ก็ต้องไปคนดูในพระวินัยดยูเราไม่รู้เรื่องพระวินยัยเราไม่ละเอียดเจ้าค่ะต้องไปถามนุ่มคนที่เราจะไปถวายว่ารับได้ไหมแค่ น, นี้ก็จบถ้าว่ารับได้ก็ถวายไป <c oughs> ถ้ารับไม่ได้ก็ไม่ต้องถวาย เจ้าค่ ะ, ะเจ้าค่ะเขาเป็นความเมตตาเจ้าค่ะเราไม่รู้เราตอบไปแล้วเดี๋ยวตอบผิดไม่ใช่อะไรค่ะคำถามจากคุณดิศยาเจ้าค่ะกลับเรียนถามค่ะถ้าเราเห็นลูกหมาข้างทางแล้วอยากจะเอามาเลี้ยงจะเป็นการผิดศีลข้อรักขโมยไหมคะที่พรากลูกหมาจากแม่ของมันก็ต้องดูก่อนว่ามีเจ้าของหรือเปล่า เรื่องเอาลูกมหมามาเลี้ยงนี้คงจะไม่มีพลาดพาดเพราะเดี๋ยวมันต้องแยกกันอยู่ดีมหมามันไม่เลี้ยงกันอยู่ดีพอลูกมหมามันโตมันก็มันก็ไปทางของมันแม่มันก็ไปทางของมันเห็นคงจะไม่มีปัญหาเรื่องทําให้พลาดพาดจากกันเพราะเราเอาไปเลี้ยงให้เขาดีเลี้ยงให้เขาอยู่มีความสุขเป็นบุญเป็นความเมตตามากกว่า แม่มันรู้ก็แม่มันก็จะดีใจเพราะแม่มันจะได้มันไม่มีปัญญาที่จะเลี้ยงลูกต่อไปได้แต่แม่พอลูกมันทำอะไรได้มันแม่มันก็ไม่สนใจนะ คำถามต่อไปจากคุณอำไพเจ้าค่ะข้าเรียนถามพระอาจารย์ค่ะเคยได้ยินพระอาจารย์บอกว่าสามารถทำสมาธิระหว่างฟังพระธรรมเทศนาได้สงสัยว่าทำอย่างไรเจ้าคะเพราะระหว่างที่เราฟังพระเทศเราต้องได้ยินเสียงและต้องคิดตามแล้วใจจะอยู่ที่พุทโธหรือเสียงธรรมเจ้าคะอ๋อเราอยู่ที่เสียงธรรมไง แต่เราอย่าไม่ต้องไปคิดตามฟังเฉยๆให้ใจเกาะเสียงไว้โดยที่ไม่ต้องคิดตามไม่ต้องไม่ต้องเข้าใจไม่ต้องการปัญญาอันนี้ในกรณีของคนที่หนึ่งนั่งเองไม่ได้พุทโธไม่ได้ดูลมไม่ได้อาศัยเสียงธรรมแทนได้แล้วก็คิดตามไม่ได้ยังไม่มีปัญญาความฉลาดที่จะเข้าใจก็เลยฟังอาศัยเสียงนั่งฟังเสียงไป ใจก็ไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็สงบได้แตอ่อาจจะไม่สงบแบบเต็มร้อยเหมือนกับไปดูลมหรือนั่งพุโทโธอยู่คนเดียวแต่ก็จะช่วยให้ใจไม่ฟุง้งซ่านไม่วุ่นวายใจได้เป็นสมาธิแบบหยาบขั้นหยาบยังไม่ขั้นละเอียดยังไม่ขั้นสมบูรณ์ แต่สำหรับผู้ที่เริ่มฝึกขัดใหม่อยากจะฝึกนั่งสมาธิถ้านั่งเองนั่งห้านาทีก็นั่งไม่ได้ละพุทโทไม่มีแรงที่จะพุทโทไม่มีแรงที่จะดูลม <c oughs> ก็อาศัยฟังดีกว่าฟังไม่ต้องใช้แรงฟังเสียงธรรมแทนเวลานั่งฟังก็ไม่ต้องพุทโทไม่ต้องดูลมใช้เสียงธรรมเป็นอารมณ์แทนพุทธโธแทนลมหายใจ แล้วเดี๋ยวใจก็จะไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจก็จะเบาและไม่แน่บางครั้งมันอาจจะวุบลงไปนิ่งสงบเป็นสมาธิขึ้นมาก็ได้ไม่มีใครรู้เรื่องเราเลยนีน่ขอให้ใจมีอะไรเกาะแล้วไม่คิดก็เล้วกันแล้วเดี๋ยวมันก็จะสงบได้คำถามต่อไปจากคุณพันรอดีค่ะ เกับนวัตการถามพระอาจารย์เรื่องตอนตายบาปมีมากกว่าบุญต้องไปอบายบุญมีมากกว่าบาปก็ไปเป็นเทพและถ้าบุญกับบาปมีเท่ากันก็เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วหนูก็ข้องใจจิตสุดท้ายที่ว่าเรามีบุญมากกว่าบาปตอนนั้นแต่จิตเราไปยึดกับสิ่งที่เป็นอกุศลเช่นการฆ่าสัตว์เราต้องไปรับผลจากการไปรยึดติดจิตสุดท้ายก่อนใช่ไหมคะเพราะแล้วแต่ว่าจิตสุดท้ายนั้นมีมันแรงมากกว่า บุญหรือ บ, บาปที่เราไม่อยู่หรือไม่มนานาตก็จะดึงจิตไปได้แค่แวบเดียวเช่นพระนี่ท่านบวชมานานท่านมีท่านมีบุญมากกว่าบาปแต่จิตของท่านไปแวบคิดถึงจีวรของท่านท่านยังรักยังห่วงจีวร อ, อยู่แรงของความรักความห่วงจีวรทำให้ท่านไปเกิดเป็นตัวเลนไปเกาะจีวรของท่านเพราะท่านอยากจะอยู่ใกล้จีวร แต่ก็อยู่ได้แค่ไม่กี่วันจีวันตัวเลนก็ตายไปพอตายไปแล้วความรักคิดถึงจีวานก็รู้ว่ากลับมาก็ใช้จีวานไม่ได้อยู่ดีก็ไม่กลับมาแล้วก็ไปรับผลบุญผลบาปต่อไปแต่ในช่วงที่ยังมีความผูกพันมากๆในดวงวิญญาณอาจจ ย, ยังไม่ไปรับผลบุญผลบาปได้บางคนยังเป็นห่วงอะไรอยู่ เช่นในประวัติของหลวงปูมงป่ม่านหลวงปู่ม่านท่านบอกท่านไปนั่งสมาธิอยู่ที่ใกล้องค์เจดีย์อยู่องค์หนึ่งแล้วท่านก็สามารถสัมผัสกับดวงวิญญาณของพี่น้องสองคนถามว่ามาทำอะไรแถวนี้เขาบอกว่าเขาห่วงเจดีย์เขาเป็นผู้ร่วมทำบุญสร้างเจดีย์ยังห่วงยังเห็นว่าไม่เสร็จอยากจะให้มันเสร็จเนี่ยก็เลยมาคอยวนเวียนดูเจดีย์ว่าจะเสร็จเมื่อไหร่ มันก็เลยทําให้เขาไม่เป็นแทนที่ไปรับผลบุญที่ได้จากการทําบุญสร้างจิตดีก็ยังไปไม่ได้เพราะความห่วงหลวงปู่มันก็สอนทําบอกให้เราทําบุญเพื่อปล่อยวางเราไม่ได้ทําเพื่อยึดติดเราทําเพื่อให้ใจเรามีความสุขแล้วของมันจะเสร็จไม่เสร็จมันก็เป็นเรื่องของมันเราทําหน้าที่ของเราเสร็จแล้วเราก็ควรจะพอใจ อมันจะเสร็จไม่เสร็จก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเราไปทํำอะไรไม่ได้พอสอนเขาเขาก็ปล่อยความห่วงได้เขาก็ไปไปสวรรค์ต่อไปได้คําถามต่อไปจากคุณอภากรค่ะขอโอกาสพ่อแม่ครับจิตต้องอยู่กับความว่างและสังขารจะแก้อย่างไรดีครับก็ <S <S แก้โดยพุโทโธเลยให้มันอยู่กับพุโทโธอย่าไปให้มันอยู่กับความว่าง ถ้าเป็นความว่างถ้าความว่างจริงมันก็ไม่มีสังขารถ้ามีสังขารมันก็ไม่มีความว่างนั้นถ้าบอกว่าไปอยู่กับความว่างกับสังขารก็แสดงว่ามันไม่จริงมันต้องอยู่กับอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าอยู่กับความว่างก็ไม่ต้องทำอะไรเพราะความว่างมันเป็นความนิ่งความสงบถ้าอยู่กับสังขารก็ต้องให้มันคิดคิดไปทางพุทโธพุทโธคิดไปทางไตรลักษณ์แทน คำถามจากผู้ฝักทานเจ้าคะ่ะปู่เจ้าเข้าทรงร่างทรงต่างๆมีจริงไหมคะก็เขามีกันอยู่เนี่ยเราจะบอกมีไม่จริงได้ไงแต่ไม่รู้ว่ามีแล้วได้ประโยชน์อะไรเราก็ไม่รู้ก็แล้วเราไม่กล้าไปลบหลู่เนี่ย แต่เราไม่เชื่อท่านเราไม่เชื่อว่ามันมีประโยชน์มีสาระอะไรจะทรงว่าเป็นนูน่นเป็นนี่มันก็มันก็เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แล้วตอนนี้ก็เป็นอยู่แล้วไปทรงแล้วไปเปลี่ยนเป็นอย่างนูน่นอย่างนี้มันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งมันก็เท่านั้นมันก็ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในตายพบอยู่ดีมันไม่ได้ไปเปลี่ยนเรื่องราวของเราเท่าไหร่นอกจากเขาจะอ้างว่า พอเปลี่ยนได้แล้วสามารถทำนายทายทักว่าเป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมาเ็าดูว่าเขาทำนายทายทักตรงหรือไม่ตรงเค้าว่าเราจะเป็นเศรษฐีงวดนี้จะถูกลางวัดูซิมันจะถูกหรือเปล่าะบางคนถูกก็เชื่อก็ไปหาอยู่เรื่อยๆก็มีบางคนชอบพวกเข้าะเอาเขา้าวทรงบอกใบห้วใหวยได้ เ, เขาก็ไปเชื่อ ตรงนี้เขาก็ต้องการเงินทอ ง, ทงนั่นเองเขาไม่ได้หวังนักผลนิพพานเขาไม่ได้หวังการพ้นทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเพราะพวกนี้เขาทําให้เราุพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิ ด, ากกากดไม่ได้คําถามต่อไปจากคุณมาลินีเจ้าค่ะถ้านั่งสมาธิแล้วหลับมีวิธีแก้อย่างไงคะก็นอนสิ <laughs> หลับก็นอน <laughs> ถ้าไม่อยากจะหลับก็ลุกขึ้นมาเดินอถ้านั่งสมาธิแล้วหลับถ้าไม่อยากจะหลับก็ลุกขึ้นมาเดินถ้าหลับแล้วอยามันหลับแล้วก็นอนสบายกว่าไม่นั่งให้มันทรมานทําไมคําถามจากคุณชอบเพชรเจ้าคะ่ะคารวะญาติโยมควรถือสิงแปดทุกวันไหมเจ้าคะ ก็แล้วแต่ว่าอยากจะได้อะไรไถ้าอยากจะได้แฟนก็ถือศีลแปดไม่ได้ถ้าอยากจะได้ทาลถแห่งธรรมก็ถือศีลแปดจะได้ฝึกสมาธิได้จะนั้นทำใจให้สงบได้คำถามจากคุณสิราวิทย์ค่ะกราบน้ำมัสการพระอาจารย์ครับ เขาการสอดถามครับนรกสวรร์นี้เหมือนในภาพวาดที่เขาวาดเพื่อสื่อออกมากันไหมครับเหมือนในฝันเรานั่นแหละฝันเราคือนรกหรือสวรรคษฝันดีก็เป็นสวรรค์ษฝันร้ายก็เป็นนรกเนี่ยความฝันเรานี่นหะเป็นหนังตัวอย่างเวลาตายมันจะเป็นหนังจริงมันจะยาวเวลาที่เรานอนหลับเป็นฝันเดี๋ยวเดียวไม่กี่ชั่วโมงแต่เวลาตายนี่มันจะฝันยาวไปเลย ฝ <c oughs> ันดีก็ฝันยาวไปเลยฝันร้ายก็ฝันยาวไปเลยจนกามันจะหมดบุญหมดบาปมันถึงจะหยุดฝันแล้วมันก็จะได้มาเกิดใหม่มาตื่นขึ้นมาใหม่มาเกิดพอได้ร่างกายของมนุษย์คลอดออกมาก็ลืมตาขึ้นมาเตื่นใหม่คําถามต่อไปจากคุณจตุรงเจ้าค่ากะกราบนมัสการถามหลวงปู่ครับกระผมนั่งพับเพียบต่อเนื่องมาจาก สวดมนต์โดยไม่ได้เปลี่ยนท่านั่งแล้วเวทนาเกิดบริกรรมพุทโธต่อเนื่องเวทนาเริ่มมากขึ้นพยายามแยกจิตกับเวทนารู้สึกว่าบริกรรมไปยิ่งเจ็บแต่ผู้บริกรรมรู้สึกยิ่งอิ่มกระผมภาวนาถูกต้องไหมครับก็ขอให้เราไม่เดือดร้อนกับความเจ็บก็แล้วกันจิตเราเฉยได้ไหวให้มันเจ็บไปโดยที่ไม่รู้สึกเดือดร้อนก็ใช้ได้ คำถามจากคุณป้องเจ็ดปเจ้าค่ะเพราะอะไรคนไทยจึงชอบให้ทานมากกว่าภาวนาครับเพราะเราถูกสอนมาอย่างนั้นเราถูกสอนด้วยธรรมเนียมประเพณีให้เราทําบุญทาาําทานไม่ได้สอนให้เราไปศึกษาไปหัดภาวนากันก็เลยส่วนใหญ่ก็เลยชอบทําบุญทาาําทานกันแต่พวกชาวต่างชาตินี่เขาศึกษาเขาไม่มีธรรมเนียมสอนให้เขาทําบุญ เขาอ่านหนังสือธรรมะก็ไปเจอเรื่องการปฏิบัติเขาก็เลยไปเรียนวิธีปฏิบัติเขาก็เลยทำบุญไม่เป็นวงนนี้เขามามาอยู่วัดกี่เดือนกี่ปีเขาก็ไม่ทาบุญเขาก็มาปฏิบัติมานั่งสมาธิของเขาไปคำถามต่อไปจากคุณนภพัสค่ะ กรรมคือการกระทำก่อนที่เราจะกระทำเราก็มีความคิดคือมโนกรรมขึ้นมาก่อนเสร็จแล้วเราเริ่มดำเนินการแต่บางเอิญนว่าเรากลับทำกรรมนั้นไม่สำเร็จอย่างนี้จะจะเป็นบาปไหมเจ้าคะยังไม่เป็นบาปถ้าคิดจะไปขโมยแล้วพอจะไปขโมยเจ้าของบ้านอยู่ก็เลยไม่ได้ขโมยอย่างนี้ก็เลยยังไม่เป็นบาป <laughs> <laughs> เป็นอกุศลดังใจเป็นอกุศลเป็นความคิดที่ไม่ฉลาด ควรจะเปลี่ยนให้มันเป็นกุศลนะ อ, อ, อย่าไปขโมยเลยรักษาศีลง่ายกว่าขโมยเยอะแยะทำบาปนี่มันยากกว่าไม่ทำบาปนะไม่ทำบาปมันนั่งอยู่เฉยก็เห็นยมันรักษาศีลง่ายกว่าไหมการไม่ขโมยง่ายกว่าการขโมยไหมการขโมยนี้ต้องไปวางแผนต้องไปสอดแนมต้องไปเตรียมเวลาเตรียมอะไรต่างๆแล้วต้องไปเสี่ยงภัยกับการถูกจับติดคุกติดตารางอีกนะ ซื้อนั่งเฉยๆดีกว่าซื้อไม่ขโมยดีกว่าแลสบายใจกว่าด้วยขโมยแล้วรู้สึกไงวุ่นวายใจทุกข์ใจกังวลใจเฮนหมดแล้วเลยมีใครอยากจะถามอีกไหมไม่มีแล้วเหรอคำาถามมีแค่นี้วันนี้หาทางนึง กาบนรมัตรการเรียนทมองค์หลวงพ่อเจ้าคะ่ะคือโยมเคยปฏิบัติแล้วจะมีเหมือนกับทำสมาธิได้แล้วก็จะจะส ง, งบสบายแล้วก็จะมีเห็นคือมีนิมิตเข้ามาเจ้าคะ่ะเป็นนิมิตเกี่ยวกับ อ, อ, องค์หลวงตาบ้าง แล้วก็นิมิตเกี่ยวกับพระอาจารย์ของโยมบ้างนะคะอย่าไปสนใ จ, น, น, ใจนิมิตมันไม่มีคุณ<ช> ม, มีประโยชน์อะไ ร, รเราต้องการความว่างดีกว่าถ้ามันมีนิมิตเราก็กลับมาดูลมหรือมาพูดโทต่อสงบอย่างเดียวนะค๊ะเพราะนิมิตมันเป็นมีดสองคมถ้ารู้จักใช้มันก็ จ, จะได้ประโยชน์ใช้ไม่เป็นก็มันก็จะมาบาดใจเรามาทำลายเราได้โยคะ แต่ ถ, แตถ้าเรายังไม่หลุดพ้นยังไม่มีปัญญาอย่าไปยุ่งกับนิมิตให้เราหลุดพ้นการมีปัญญาก่อนแล้วเราค่อยมายุ่งกับนิมิตได้โยมจะพิจารณาเฉยๆไม่ได้คิดไม่ต้องพิจารณาอย่าไปสนใจวาง <ใจ S 1> เลยใช่ไหมเจ้าคะเพราะกระป๋าปหาลมมาหาพุทโธอย่างเดียวข้อที่สองเจ้าคะหลวงพ่อโยมเคยดูสารคดีเกี่ยวกับการอ เขาจะเหมือนกับอสุภะหรือเปล่าเจ้าคะเพราะว่าเขาจะสลด์ศพนักโทษแนวตั้งแล้วแนวนอนนะ่ะยมเห็นก็แล้วแต่เราจะมองมองอยังไงมองเป็นอสุภะก็ได้มองเป็นปซาดิสก็ได้ <c oughs> <c oughs> อยู่ที่เราจะมองนะแล้วก็อีกครั้งที่ยมเห็นด้วยตาเนื้อนะเจ้าคะยมไม่ทราบมันเป็นอุปทานหรืออะไรแต่เห็นชัดเจนมากคือ เห็นคนน่ะที่เดินมาเนี่ยเป็นผ้าเคลื่อนไหวแต่เขาจะไม่มีหนังหุ้มโดยรอบรจ้ะค่ะก็ดีถ้ า, ถาเราถ้าเราต้องการเห็นนะสุภาาก็ดี เพียแต่ว่าต้องเห็นบ่อยๆไม่ใช่เห็นเฉพาะช่วงนั้นต้องเห็นตอนที่เราอยากจะไปนอนกับแฟนเนีไอ้ม่มีแฟนไม่มีสมมติไม่มีต้องไปเจอแฟนใหม่ขึ้นนี้แต่ไปหลงรักเขาแต่ก็ต้องเห็นให้เขาไม่มีหนังไม่มีเนื้อคือคือด้านนี้จะหมดไปนานแล้วเจ้าค่ะคือแบบอหมดแล้วก็ก็ไม่ต้องกังวนกับมัน่ให้นมในปัญญาไว้แก้ด้านนี้เท่านั้นเองแต่เขาเห็นเองอะเจ้าค่ะหลงกก็เห็นก็เห็นไปสิเห็นก็เห็นไป แต่เมื่อมันเหมือนยาเมื่อเราไม่มีโรคแล้วยามียาก็ไม่มีประโยชน์รแล้ว <Yeah. S 1> แล้วอย่างที่สามข้อที่สามเดีวค่ะคือโยมอ่ะเคยคิดว่าถ้าโยมมีพร้อมมาทุกอย่างแล้วโยมจะมีความสุขแต่พอมีแล้วโยมเห็นได้ว่ามันไม่สุขจริงไงโยมก็วางได้ทุกอย่างคือแบบคือไม่อยากอะไรเลยไม่อยากไปช็อปปิ้งไม่อยากไปอะไรทั้งสิ้นทั้งปวงแบบ ยมรู้ว่ามันไม่มีความสุขจริง อ, อันนี้ก็คือก็มันก็เป็นความจริงทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ทั้งนั้นคือมนันความสุขปลอมสุขเหนียวเดียว แล้เดี๋ยวก็เบื่อช่คถ้าไม่เบื่อก็เสียใจเวลามันหายไปจากเราไปมันไม่เสียใจอะไรทั้งหมดเลยค่ะแต่เดี๋ยวนี้ก็ดีเลยก็อยู่คนเดียวไปอยู่กับความว่างไปนิบานังปลมังศุน ญ, ญ์ยางเลยใช่ อ, อยู่กับความว่างไปจิตเป็นนิพพานจิตไม่มีข้องเกี่ยวกับอะไรทั้งหมดก็เป็นนิพพานได้าใชกขอบคุณค่ะ อตามเลยตามเลยอ่าอันนี้หลวงพ่อช่คะอันนี้เกิดขึ้นกับตัวเองคะ่ะหลวงพ่อคือหนูอ่าเมื่อประมาณสักอาทิตย์ส อ, อาทิตย์เนี่ยก็พิจารณาไม่ได้พิจารณาตัวเองคือเวลาตื่นนอนอะ่ะปุ๊บหนูมั น, ม, นมันละมันละลึกเองคะ่ะหลวงพ่อถึงความตายทีเนี้ย หนูก็ไม่ได้หนูพรมันพอนตื่นมาปุ๊บหนูก็มันอยู่ที่ลมหายใจแล้วก็นึกถึงความตายแล้วหนูก็ปล่อยมันจุงตรงนั้นแล้วก็ตื่นนอนมาแล้วก็พยายามจดจอ่ออยู่ตรงนั้นหลวงพ่อหนูไม่รู้หนูทําถูกไหมแล้วก็ทําอย่างเงี้ยหลายครั้งแล้วให้มันนึกบ่อยๆนึกแค่แป๊บเดียวไม่พอให้มันนึกได้ทุกลมหายใจเข้าออกเลยแล้วที่ตอนที่ขณะที่หนูตื่นเนี่ยประมาณตีสองตีสามพราะหนูตื่นมาทําอาหารใช่ไหมคะที่มันมันนึกเองอัตโนมัติแบบเนี้ยมัน เกิดขึ้นเพระก็เพราะเรานึกบ่อยๆมันก็เลยมอัตโนมัติขึ้นมาเคยทําอะไรบ่อยๆเคยคิดอะไรบ่อยๆมันก็จะคิดขึ้นมาเองได้เนี่ยก็ให้พิจารณาเนื้อบ่อยๆมันต่อไปมันจะได้ไม่ต้องบังคับให้มันคิดมันคิดขึ้นของมันเองอ่อไปมันก็จะคิดอยู่แล้วกูเกิดมาแล้วเดี๋ยวกูต้องตายกูจะไปกังวลกับคนนั้นคนนี้ทําไมอ๋อสาธุสาวกค่ะหลงพ่อที่กังวลพ่อดื่นตายกันเนี่ยอืม กังวลกับคนนั้นคนนี้กังวลกับโรคภัยไค่เจ็บเนี่ยแสดงว่าเราเลืมตายกันแล้วหลวงพ่อคะคือตอนที่หนูอะมีรลมหมยตอนที่หนูอยู่ว่างๆหนูก็จะชอบคิดว่ามันต้องตายอะไรที่หลวงพ่อจบบ่อยๆค่ะแล้วพอหลับตื่นนอนต่อไปมันก็จะเริ่มคิดเองไม่ต้องไปบังคับมันไม่ต้องไปซ้อนมันสาธุขอบคุณค่ะหลวงพ่อต่อไปเวลามันจะกังวลกับอะไรมันก็จะคิดว่ากูเดี๋ยวกูก็ตายแล้วไปกังวลกับมันสาธุค่ะ ขออนุญาตอีกหนึ่งคำถามค่ะขออนุญาตอีกหนึ่งคำถามเจ้าค่ะคือมีวันหนึ่งอะเจ้าค่ะหลวงพ่อโยมก็เปิดบูดสวดมนต์ขององค์สมเด็จสังฆราชเจ้าไว้แล้วโยมก็เกิดถ่ายท้องขึ้นมาคือออกมาจากห้องน้ำนี่รู้สึกว่าวันนั้นนะ่ะมันวิวไปหมดเลยใจมันแบบมันจะขาดรอนเนี่ยเจ้าค่ะ ยมเป็นมีอาการมากยมก็เลยไป น, นั่งที่โต๊ะที่ที่เปิดเอ่อเปิดบทสวดมนต์ไว้แล้วยมก็เลยบอกคิดว่าอ๋อนี่คืออาการของคนที่จะตายใช่ไหมมันคนที่จะตายเขาต้องมีอาการแบบนี้คือมันใจมันจะขาดกันรอนเลยเจ้าค่ะแล้วยมก็เลยบอกถ้าอย่างนั้นก็จะขอตายในพุทโธแล้วโยมก็นั่งพาวนาพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆอก็คือจากที่มันมีอาการไม่ดีก็ หายเป็นปริทิงเลยเจ้าค่ ะ, ะมันสงบนั่นแหละวิธีปฏิบัติกับความเจ็บความตายทำใจให้สงบปล่อยาวางร่างกายแล้วจะไม่คื อ, ค, อคือตอนนั้นไม่กลัวเจ้าค่ ะ, ะนั่นแหละการดีแล้วเนะียสาธุเจ้าค่ะอ เ, คเอาแล้วนะวันนี้เอาแค่นี้ก่อน